ห้าตำนานหลอนในโรงเรียนหากวันนี้เราต้องมาพูดถึงโรงเรียนหลอนแล้วนั้นคงเป็นเรื่องน่ากลัวไม่ใช่น้อยหากโรงเรียนคุณเป็นหนึ่งใน5ตําตนานโรงเรียนหลอนเพราะใครจะรู้ได้ว่าโรงเรียนที่เราเรียนอยู่ทุกวันนี้จะมีเรื่องราวอาถรรพ์หรือมีวิญญาณร้ายสิงอยู่หรือไม่เรามาเริ่มที่โรงเรียนแรกกันก่อนเลยดีกว่าครับโรงเรียนที่1 ตั้งานประถมหลอนโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนประถมอยู่ย่านแถวนนทบุรีซึ่งดูจากภายนอกโรงเรียนแล้วนั้นเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ถ้าคุณได้รู้จักประวัติของโรงเรียนนี้แล้วนั้นคุณจะสยองไปตามๆกันหากคุณกําลังนั่งฟังอยู่ในห้องสมุดคนเดียวแล้วเกิดมีหนังสือหล่นกระจัดกระจายเหมือนกับมีคนเคลื่องมันทิ้งคุณจะทําอย่างไรหรือหากคุณกําลังเข้าห้องน้ํา อยู่ดีๆก็เกิดมีเสียงร้องไห้จากห้องข้างๆคุณจะทําอย่างไรความหลอนของโรงเรียนนี้ยังไม่หมดแค่นั้นยังมีชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบๆโรงเรียนบอกกล่าวกันเป็นเสียงเดียวอีกว่าพวกเขาเห็นเด็กผู้หญิงมายืนร้องไห้ตรงหน้าต่างกระจกทุกวันเวลาเดียวกันที่เดียวกันคุณจะยังกล้าเดินผ่านบริเวณ น, นั้นของโรงเรียนอีกหรือไม่เมื่อมีอัถชันเกิดขึ้นมากมายทางด้านท่านผ อ, อ, อจึงได้นิมนต์พระมาพรมน้ํามนต์ พระท่านยังต้องออกปากเองว่าที่นี่มีแต่กลิ่นวิญญาณอาฆาตที่ยังไม่ไปผุดไปเกิดอยู่เต็มไปหมดสุดท้ายพอออจึงได้รู้ว่าโรงเรียนที่เขาตั้งนั้นในสมัยก่อนเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลร้างมาก่อนหากเป็นคุณยังกล้าที่จะเรียนโรงเรียนนี้อยู่หรือไม่โรงเรียนที่สองครูวิภากับห้องนาฏศิลป์ มาต่อกันที่โรงเรียนที่สองกันเลยดีกว่าครับโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนรัฐบาลชื่อดังของกรุงเทพหากต้องเอ่ยชื่อครูวิพานั้นเหล่าบรรดา น, นักเรียนในโรงเรียนต่างรู้ดีว่าเคยมีเหตุการณ์สยองของครูวิภาเกิดขึ้นที่โรงเรียนของพวกเขาครูวิภาคือครูสอนน่าตัดลป์มีนิสัยที่เคร่งครัดและเจ้าระเบียบเหตุเกิดตรงที่ว่าวันหนึ่งครูวิภามีอาการป่วยถึงขั้นต้องนอนพักที่โรงพยาบาล แต่วันเดียวกันนั่นเองเป็นวันที่นักเรียนต้องไปแข่งรําน้าตัดลป์กับโรงเรียนอื่นๆครูวิภาจึงได้แอบออกจากโรงพยาบาลเพื่อที่จะมาฝึกซ้อมให้กับเด็กนักเรียนเมื่อทําการซ้อมเสร็จแล้วในขณะที่ครูกําลังจะกลับไปโรงพยาบาลแต่ดันลืมของไว้ที่ห้องน้าตัดลป์ครูวิภาจึงเดินกลับไปเอาแต่ในขณะที่ครูกําลังจะหยิบของที่ลืมไว้นั้นเกิดเป็นลมหน้ามืดล้มลงในห้องนาฏศิสิน โดยที่ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับครูจนรุ่งเช้าถึงมีผู้มาพบศพครูเมื่อเวลาผ่านไปได้ระยะหนึ่งทางโรงเรียนต้องการทุกห้องหน้าตัดสินนั้นทิ้งจึงมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นในขณะที่ช่างจะทำการขนย้ายของนั้นเกิดมีเสียงดนตรีไทยขึ้นมาบ้างละ่ะและทุกครั้งที่ช่างพยายามจะขนย้ายก็จะมีผู้หญิงมายืนราอยู่ในห้องหน้าตัดสิ์ น, นั้นจนทาให้ช่างไม่กล้าที่จะทางานต่อไป จนกระทั่งปัจจุบันนี้ห้องน้าตัดสินของครูวิภาก็ยังคงอยู่โรงเรียนที่สามเหตุเกิดเพราะเด็กโบเขียวโรงเรียนต่อไปคือโรงเรียนที่สามโรงเรียนนี้นั้นตั้งอยู่ต่างจังหวัดทางภาคอีสานโดยปกติแล้วโรงเรียนจะมีกฎระเบียบให้เด็กผู้หญิงต้องผูกโบสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้นแต่มีเด็กอยู่คนหนึ่ง เธอชอบที่จะผูกโบสีเขียวมาเป็นประจำถึงแม้ว่าเธอนั้นจะถูกครูเรียกไปตักเตือนอยู่บ่อยครัง้งแต่เธอก็ยังคงใช้โบสีเขียวทุกวันจนมาวันหนึ่งวันที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดกับเด็กโบเขียวคนนี้ในขณะที่นักเรียนเรียนอยู่เหมือนปกติทุกวันแต่วันนั้นเหมือนเป็นวันสุดท้ายของชีวิตเธออยู่ดีๆพัดลมติดเพดานก็เกิดหล่นลงมาตรงที่เธอนั่งอยู่พอดีทรงผลให้เด็กโบเขียวคนนี้ ตายคาห้องเรียนทันทีจึงเป็นที่โจย์จยันอยู่นานพอสมควรแต่พอเวลาผ่านไปเรื่องราวของเด็กโบเขียวก็ค่อยๆเงียบลงแต่มันไม่เงียบเป็นการถาวรนิสิเมื่อมีครูคนใหม่เข้ามาสอนเด็กนักเรียนในห้องนี้ในวันนี้ครูมีคำถามหนึ่งซึ่งเด็กทั้งห้องไม่มีใครตอบได้จู่ๆทันใดนั้นครูก็เอ่ยขึ้นว่าหนูที่ผูโบสีเขียวคนเดียวนั่นน่ะลองลุกขึ้นยืนตอบครูสิ เด็กๆทุกคนในห้องต่างพากันตกตะลึงและพร้อมใจหันหน้าไปทางหลังห้องกันแล้วครูก็ยังเอ่ยต่ออีกว่าหนูที่นั่งหลังห้องนั่นละ่ะผู้บอเ ก, กเขียวลุกขึ้นตอบครูสิแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในห้องก็ยังคงตกอยู่ในความเงียบงันซึ่งครูคนใหม่นั้นได้ไม่รู้เหตุการณ์นี้ภายหลังจึงทาการลาออกจากโรงเรียนนี้ในทันทีโรงเรียนที่4ยายชุดจ มาถึงโรงเรียนที่สี่กันแล้วครับโรงเรียนนี้อยู่แถวแถวสยามหางเอ่ยชื่อนั้นทุกคนต้องรู้จักกันดีเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องราวที่เล่าต่อๆกันมาเหตุเกิดตรงที่ว่ามีวันหนึ่งครูท่านนี้เกิดมาเช้ากว่าปกติในขณะที่กำลังจะเดินขึ้นตึกนั้นสายตาดัานเหลือไปเห็นยายท่านหนึ่งใส่ชุดจีนๆยืนอยู่บนตึกแต่ในตอนนั้นครูท่านนี้นึกว่าผู้ปกครองมาหาเด็กนักเรียน จึงรีบทําการเดินขึ้นไปที่ตึกแต่พอมาถึงกลับไม่พบยายท่านนั้นแล้วครูตกใจมากเพราะทางขึ้นลงของตึกนี้มีทางเดียวครูท่านนั้นจึงตัดสินใจหันหลังกลับเพื่อเข้าห้องเรียนแต่สิ่งที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือเมื่อครูหันหลังกลับมากลับเจอยายคนเดิมนั่งอยู่หน้าห้องเรียนแล้วครูท่านนั้นช็อกมากแต่ต้องทาเป็นไม่เห็นยายเพื่อจะกลับเข้าห้องแต่ขณะนั้นขาครูแข็งไปหมดแล้วแทบจะก้าวขาเดินไม่ออก แล้วอยู่ๆ ย, ยายท่านนั้นก็เสียยิ้มออกมาอย่างน่ากลัวครูสติแตกออกวิ่งร้องให้คนช่วยมาถึงด้านล่างตึกจนมาพบพานโรงแล้วเล่าเหตุการณ์ต่างๆให้พานโรงฟังเมื่อพานรงได้ฟังเรื่องราวแล้วจึงตัดสินใจบอกครูคนนั้นไปว่ายายชุดจีนที่ครูพบนั้นคือแม่ของพอ อ, อที่พลัดตกอย่าบันไดคอหักตายคาที่เมื่อหลายปีที่แล้วโรงเรียนที่ห้า ลิฟต์สยองมาถึงโรงเรียนที่ห้าสุดท้ายของโรงเรียนสยองแล้วครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนมัธยมวัดพระศรีมหาธาตุซึ่งตึกนี้เป็นที่เรื่องลือกันมากในหมู่เด็กนักเรียนนั่นคือตึก2ซึ่งในตึกสองนั้นอยู่ดีๆก็ถูกเลิกใช้ลิฟต์โดยไม่มีสาเหตุแต่เด็กนักเรียนต่างรู้ดีกันว่าลิฟต์ตัวนี้ไม่ใช่ลิฟต์ธรรมดาทั่วไปเพราะในตอนที่กําลังก่อสร้างลิฟต์นี้นั้น มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นมีคนงานก่อสร้างเกิดอุบัติเหตุตกลงไปคอหักตายขาที่จากนั้นเมื่อลิฟต์ก่อสร้างเสร็จก็ได้มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นอยู่เสมอมีเงาประหลาดบ้างหรือใครที่อยู่ในลิฟต์คนเดียวอยู่ดีๆก็เกิดมีเสียงร้องขึ้นมาบ้างแต่ที่น่าสยองไปกว่านั้นคือครั้งสุดท้ายที่ก่อนจะปิดตายลิฟต์นี้มีเด็กนักเรียนคนหนึ่งกําลังที่จะใช้ลิฟต์เมื่อเด็กคนนั้นยื่นมือเพื่อเข้าไปกดปุ่มปิดประตู เมื่อประตูค่อยๆเลื่อนปิดลงกลับมีมือของใครไม่รู้ยื่นมาให้เห็นกับตาจากช่องประตูแล้วมือนั้นก็ขาดลงต่อหน้าของเด็กคนนั้นเด็กคนนั้นถึงกับเสียสติไม่สามารถมาเรียนได้อีกตลอดไปจึงเป็นที่กล่าวขานมาถึงทุกวันนี้แล้วโรงเรียนของคุณละ่ะมีตำนานหลอนๆบ้างหรือเปล่ามาแบกปันเรื่องสยองใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับหากคุณชอบเรื่องนี้ กรุณากดถูกใจและกดติดตามด้วยนะครับ